เรื่องให้อามิตเท่าๆกันท่านพระสารีบุตรกราบทูลถามว่าในอามิตจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรพึงแบ่งอามิตให้แก่ภิกษุเท่าๆกันทุกรูป